น้ำในทะเลทรายกาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านที่ไกลออกไปมีช่างฝีมือดีอยู่สองคนชื่อเจมและอเล็กซ์พวกเขาเป็นเพื่อนรักกันและพวกเขาชอบปั้นงานจากดินพวกเขาทําตุ๊กตาหม้อและกระทะและลูกปั้นอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นหมู่บ้านเล็กพวกเขาได้เงินน้อยจากงานของเขาชาวบ้านไม่มีเงินจ่าย แต่เจมส์และอเล็กไม่เคยบน่นอย่างน้อยก็ไม่เคยบ่นเสียงดังเจมส์ oh, ในครัวจารียนรู้ที่จะโฟกัสอย่างไดอย่างหนึ่งในเวลาเดียวเมื่อเรารู้จุดแข็งของเราเราจะเข้าใจและรู้ว่านานเท่าไหร่ถึงจะทำงานที่นี่สำเร็จนายจะสามารถกวเวลาจะส่งงานให้ลูกค้าได้นะไม่เป็นไรฉันทำได้นะเราจะทำให้ได้มากขึ้น เพื่อเงินที่เพิ่มขึ้นเมื่อฉันทำงานของเมื่อวานเสร็จฉันก็จะเริ่มทำงานที่สั่งในวันนี้ฉันเข้าใจนายเพื่อนแต่นั่นจะเป็นไปได้อย่างไรถ้านายไม่ส่งสินค้าให้ทันเวลานายทำให้ฉันเครียดนะฮ <laughs> ฉันโอเคอเล็กซ์นายไม่ต้องหวง่วงหรอกอา อเล็เป็นคนมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานฝีมือแต่ละครั้ง <fuck> ที่เขาจะลงมือทำเขาจะทำเสร็จทันและส่งลูกค้าตรงเวลาเขาจะตั้งใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันนั้นสามารถที่จะช่วยให้เขาตั้งใจทำงานของเขาและส่งตรงเวลาแต่เจส์เป็นคนที่ไม่ตั้งใจทำงานเพียงอย่างเดียวเขาไม่เคยปฏิเสธงานและมักจะถูกงานทับถม เขามักรับงานหลายๆชิ้นในเวลาเดียวกันและเขาไม่สามารถส่งให้ทันเวลาได้เมื่อครั้งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวสองสาคนมาที่หมู่บ้านอ๋อว้าวชฉางนั้นสวยงามมากเลยนะเ oh, wow. ทา่าไหร่ละคะเงินสงเหรียญ น, นะครับอันนี้อะไรนะแค่นี้เองเหรอคุณไม่รู้เหรอคะว่ามันราคาน้อยมากเลยนะเออนั่นคือราคาที่เราคิดทุกคนที่นี่ ชาวบ้านไม่สามารถจ่ายเยอะได้นะและผมไม่สามารถคิดเงินคุณเกินกว่าผมคิดพวกเขาฉันชอบความซื่อสัตย์ของคุณแต่คุณไม่ได้เงินมากถ้าเทียบกับความสามารถของคุณมีเมืองอยู่นะเมื่อข้ามทะเลทรายไปทําไมไม่เอาของคุณไปขายที่นั่นละ่ะคนที่นั่นน่ะยินดีที่จะจ่ายให้มากกว่าความสามารถของคุณอีกคุณจะได้เงินดีที่นั่นโอ้งั้นเหรอเ อ, อ่อผมจะลองคิดดูนะขอบคุณมาก ผู้หญิงใจเรียนเงินสองเหรียญเพื่อซื้อช้าง <Me et Soldier> และในคืนนั้นเจมสนายดูเหนื่อยนะโอ้ย <pelled> ฉันยังไม่ได้นอนมาสองวันแล้วแต่ว่าฉันทำงานเสร็จนะจะรู้สึกเยี่ยมมากเลย <S <S นั่นมันดีมากนายคิดว่า <S <S พวกเราควรเอางาน <institutional payment> ฝีมือของเราไปขายที่เมืองใหญ่ไหม <S <S เราไม่สามารถทำเงินได้เยอะที่นี่นะงานก็ไม่เยอะด้วย ฉันเห็นด้วยเรื่องงานนะบางทีน่าจะพูดถูกแต่นี่มันเป็นทะเล้ายใหญ่เราจะข้ามมันได้อย่างไงเล่าฉันเห็นกลุ่มคนข้ามไปทุกสองหรือสามวันมีอูดแล้วก็รถลากหลายคันจริงๆแล้วกลุ่มคนเขาจะเดินทางพรุ่งนี้พวกเราสามารถเดินทางไปจับเขาได้นั่นเรื่องจริงเหรอฉันได้ยินว่ามีคนมั่งมีอยู่บนทะเลสาบฝั่งตรงข้ามฮ บางทีฉันอาจจะเจอเจ้าสาวของฉันแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขที่นั่นนะนะใครจะไปรู้ <laughs> เรื่องจริงนายพักผ่อนซะนายต้องพักให้คุ้มกับที่นายเสียไปเราจะไปพรุ่งนี้กับกลุ่มคนเหล่านั้นคืนนั้นเจมส์และอเล็กซ์หลับอย่างสงบสุขเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาเอางานฝีมืออาหารและน้ำมากมายใส่รถลากของเขา นี่เป็นการเดินทางที่ยาวนานและพวกเขาจะต้องเตรียมตัวการเดินทางเป็นไปได้ด้วยดีเจมส์ James และอเล็กฝากอนาคตของเขาไว้ในเมืองใหญ่พวกเขาพูดถึงเขาจะทําเงินและความสามารถใหม่ๆและเติมงานฝีมือใหม่ๆกลุ่มนักเดินทางกินอาหารเที่ยงตอนบ่ายและมือ้อค่ําตอนดึกการเดินทางนั้น เป็นไปอยู่สองสามวันแต่าอากาศร้อนขึ้นทําให้ยากที่จะหายใจเกิดอะไรขึ้ น, นมันร้อนอย่างนี้ตลอดเลยเหรอฉันว่าไม่นะแต่ฉันอยากได้น้ำํำจังอยากได้น้ํามากเราเอาน้ำํำมาเยอะแต่ว่าตอนนี้จะหมดแล้วอ า, อากาศร้อนทําให้การเดินทางครั้งนี้มันยากขึ้นนะเจมส์ใช่จริง แหล่น้ำของเราก็กำลังจะหมดแล้วหม้อที่นักเดินทางเอามาด้วยที่ทำจากโครนและด้วยอากาศที่ร้อนนั้นน้ำในหม้อจึงระเหยหายไปเราจะอยู่รอดได้ยังไงถ้าน้ำมันหมดต้องใช้เวลาอีกสองวันถึงจะถึงเมืองใหญ่นะเออฉันคิดออกแล้วทำไมเราถึงไม่ขุดหาน้ำกันเล่า โอ้นมั่นใจมากถ้าเราเจาะลึกมากพอเราต้องเจอน้ำสักเทนึงใช่มาเลือกจุดกันแล้วก็เริ่มขุดกันเลยดีกว่านะพวกเขานำอูดมาและหยุดตรงจุดที่จะขุดนอยแน่ใจหรือ ว, ว่าจะเจอน้ำที่นี่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มขุดแล้วก็ขุดให้ลึกมากพอนักเดินทางเริ่มขุดดูตรงกลางพื้นเวลาผ่านไปแต่ก็ไม่เจอน้ำ ฉันบอกนายแล้วนี่มันไร้ประโยชน์และการหาน้าในทะเลทรายเป็นไปไม่ได้หรอกมันยากนะเจมส์ James. แต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เราแค่ต้องทํามันไปเรื่อยๆนะนักเดินทางเริ่มเลิกขุดไปทีละคนอย่างช้าๆพวกเขาเหนื่อยมากพวกเขากลับไปที่รถลากของพวกเขาและพักอ๋อฉันจะมาช่วยนายแต่ว่าฉัน พักก่อนนะตอนนี้อ้อเจมส์ James, ฉันเหนื่อยมากเลยบางทีเราน่าจะพักกันก่อนนะนายพักไปเถอะนะฉันจะขุดอีกสักพักหนึ่งนะอเล็กซ์กลับไปที่รถลากและพักทันทีเนื่องจากอากาศที่ร้อนและร่างกายที่อ่อนแอเขาได้หลับลงหลังจากนั้นสักพัก นักเดินทางมหาเจมส์นี่นายดูแข็งแรงนะนายขุดไม่หยุดเลยแต่ว่าจะบอกความจริงให้ฉันคิดว่านายคงเสียเวลาตรงนี้ไปเปล่าเปล่าหมายความว่าอย่างไรฉันไม่คิดว่าจะมีน้ำอยู่ตรงนี้และฉันกอดููจุดที่มันมีน้ำแน่ละจริงเหรอที่ไหนนักเดินทางพาเจมส์ไปที่จุดนั่นและกลับไปพักที่รถ เจมขุดลึกลงไปสองสามฟุตแต่ก็ไม่เจอน้ําหลังจากนั้นสักพักก็มีนักเดินทางอีกคนเข้ามาเฮ hey, นี่ใครบอกให้หนายขุดตรงนี้นี่นายโง่เหรอเราต้องไปขุดตรงนอนเสที่ที่เราจะเจอน้ำํำพุงง่ายๆจริงเหรอแล้วที่นั่นคือที่ไหนลหรทันใดนั้นเจมสหยิบจอบขึ้นแล้วไปขุดอีกที่หนึ่งลึกลงไปสองสามฟุต และเป็นอีกครั้งที่เขาขุดลึกลงไปสองสามฟุตแต่ก็มีนักเดินทางมาบอกให้เขาไปขุดอีกที่ที่มีน้าแน่ๆ <_ EN _> เขาขุดไปเป็นชั่วโมงพื้นเด่นเต็มไปด้วยหลุมแต่ไม่มีหลุมไหนที่ขุดลึกพอที่จะเจอน้าเมื่ออเล็กซนเดนขึ้นมาเขาตกใจเจมส์นี่นายทอะไรอ่ะก็ไปยามหาน้ำไงนักเดินทางเหล่านั้นน่ะมาบอกฉันถึงที่ที่จะเจอน้า ฉันขุดหลุมหลายหลุมแล้วแต่ไม่มีน้ําสักหยอดเลยเนอะดูสินี่ไงที่ฉันเป็นห่วงนายนายรู้ไหมนายเสียเวลาในการลงมือทํามากเท่าไหร่นายไปนับหลุมพวกนั้นและหลุมเหล่านั้นลึกเท่าไหร่นายจะเจอน้ําก็ต่อเมื่อท่านนายลงมือทําแค่ที่ที่เดียวนายไม่สามารถจะฟังทุกคนแล้วก็เสียความมุ่งมั่นได้นะ นายพูดถูกฉันขาดความสนใจงานฉันอาจจะขุดแค่หลุมเดียวก็พออเล็กซ์ได้เรียกทุกคนมาขุดหลุมที่เดิมที่พวกเขาได้เริ่มต้นกันพวกเขาขุดไปสักพักและในที่สุดพวกเขาก็เจอน้ำเย้เ้ขอบคุณจ้าทุกคนดื่มน้ำและนำน้ำไปใส่ในหม้อ พวกเขาไปถึงเมืองใหญ่ภายในสองวันอย่างที่คาดหวังเจมส์และอเล็กซ์ทำเงินได้ดีกับความสามารถของพวกเขาพวกเขาได้รับการยกย่องในการทำงานของพวกเขาในมิชชาพวกเขาก็รวยและจ้างคนงานมาทำงานของโบราณวัตถุงานของพวกเขาถูกขายทั้งในท้องถิ่นและตลาดสากลเจมส์ได้บทเรียนสำคัญ ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉันไม่ได้เสียความตั้งใจในการทำงานและทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาเดียว